ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นสมถียานิกหรือวิปัสสนาญาณิกไม่ว่าจะเป็นวิธีปฏิบัติแบบใดในวิธีทั้งสี่มีสมถะปุกพังขามาวิปัสสนาและวิปัสสนาปุกพังคมาสมถะเป็นต้นจะต้องผ่านการปฏิบัติส่วนนี้ทั้งสิน้นสำหรับวิปัสสนาญาณิกการพิจารณาเช่นนี้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 เพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายก็หมดสิ้นไปพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นส่วนของปัญญาวิมุตติวิปัสสนานี้แยกออกแยกเยื้อได้เป็นหลายอย่างหลายแนวในบาลีเท่าที่พบมีบรรยายไว้เป็นสำนวนแบบหลายสำนวนก่อนที่จะศึกษาสำนวนแบบเหล่านั้น ขอให้พิจารณาดูคำบรรยายสรุปการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก่อนเพื่อให้เห็นแนวว่าการตรัสรู้นั้นแม้จะเป็นกระบวนการอันเดียวแต่ก็สามารถอธิบายได้หลายนัยยะเกี่ยวโยงไปถึงข้อธรรมะได้หลายหมวดคำบรรยายสรุปเหล่านี้ก็เป็นํำนวนแบบเช่นเดียวกันและมีหลายํำนวนอยู่ในต่างแห่งต่างที่ขอยกมาให้พิจารณาดังนี้ ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอยาทัทสนะตามเป็นจริงของเราซึ่งมีปริวัติสมีอาการส2องอย่างนี้ในอริยาสัจสีประการเหล่านี้หมดจดจำชัดดีแล้วเมื่อนั้นแหละเราจึงได้ปฏิญาณในโลกว่าเราได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตระสัมมาสามัมโพธิญาณก็ลยาาทัทสนะเกิดขึ้นแล้วแกวเราว่า เจตวิมุติของเราเป็นอกุปปานี้เป็นอัติมชาติบัดนี้พบใหม่อีกไม่มีภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเรารู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งอสาทะคือคุณหรือส่วนดีของอุปาทานขันห้าเหล่านี้โดยความเป็นอัสาทะซึ่งอทีนกคือโทษหรือส่วนเสีย โดยความเป็นอาทีนบและซึ่งนิสรณะคือภาวะรอดพ้นทางออกความเป็นอิสระโดยความเป็นนิสรณะเมื่อนั้นเราจึงปฏิญญาในโลกว่าเราได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบัดนี้พบใหม่อีกไม่มีภิษุทั้งหลายเมื่อใดเรารู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งอัสาทะ ของอายตนะภายในทั้งหกเหล่านี้โดยความเป็นอสาธาซึ่งอาทีนบโดยความเป็นอาทีนกซึ่งนิสรณะโดยความเป็นนิสรณะเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณในโลกว่าเราได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณบัดนี้พบใหม่อีกไม่มีภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเรารู้ชัดตามเป็นจริง ซึ่งสมุทยัยความอัศดงอัสาทะอาทีนกและนิสรณะของอินทรีทั้งห้าเหล่านี้คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเมื่อ น, นั้นเราจึงปฏิญญาในโลกว่าเราได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุจระสัมมาสัมโพธิญาณบัดนี้พบใหม่อีกไม่มีภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดเรารู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสมุทยัยความอัสดงอัสาทาทีนกและนิสรณะของอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อนั้นเราจึงปฏิญญาในโลกว่าเราได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณบัดนี้พบหมายอีกไม่มีภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธิ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 ปฏิปทาที่นำไปสู่นิโรธแห่งเวทนาเป็นดังนี้อาสาธาแห่งเวทนาเป็นดังนี้อธินกแห่งเวทนาเป็นดังนี้นิสรณะแห่งเวทนาเป็นดังนี้ภิกษุททั้งหลายจากสุขเกิดขึ้นแล้วญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมะทั้งหลายที่ม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่า กาเยกายานุปัสนาคือดังนี้ก็กาเยกายานุปัสนานั้นเป็นธรรมะควรเจริญกาเยกายานุปัสนานั้นเราเจริญแล้วเวทนาสุเวทนานุปัสนานั้นเป็นธรรมะควรเจริญเวทนาสุเวทนานุปัสนานั้นเราเจริญแล้ว จิตเตจิตานุปัสนาคือดังนี้ก็จิตเตจิตตานุปัสนานั้นเป็นธรรมะควรเจริญจิตเตจิตตานุปัสนานั้นเราเจริญแล้วทำเมสุธรมมานุปัสนาคือดังนี้ก็ทาเมสุธรมมานุปัสนานั้นเป็นธรรมะควรเจริญทำเมสุธรรมานุปัสนานั้นเราเจริญแล้ว ภิกษุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วยานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแกเราในธรรมะทั้งหลายที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าอิทิบาทข้อที่หนึ่งคือดังนี้ก็อิทิบาทข้อที่หนึ่งนั้นเป็นธรรมะควรเจริญอิทิบาทข้อที่หนึ่งนั้นเราเจริญแล้วและโดยในย่าเดียวกันอิทิบาทข้อสองสมสคือดังนี้ ก็อิทิบาทข้อสองสมสนั้นเป็นธรรมะควรเจริญอิทิบาทข้อสองสามสนั้นเราเจริญแล้วภิกษุทั้งหลายก่อนแต่สำมโพธิเมื่ อ, อยังไม่ตรัสรู้เป็นโพธิสัตว์อยู่เราได้มีความคิดว่าโลกนี้ประสบความทุกข์ยากเสียนักยอมเกิดแก่ตายจุติและอุบัติแต่ทั้งที่เป็นเช่นนั้น ก็หารู้ จ, จักนิสระณะคือธรรมะเป็นที่สลัดออกภาวะหลุดรอดหลอดพ้นความเป็นอิสระหรือทางออกแต่ทั้งที่เป็นเช่นนั้นก็หารู้ จ, จักนิสระณะแห่งทุกคือชรามรณะนี้ไม่เมื่อไรเล่านิสระณะแห่งทุกคือชรามรณะนี้จากปรากฏเราได้มีความคิดดังนี้ว่า เมื่ออะไรมีอยู่หนอชราโมรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยชราโมรณะจึงมีเพราะโยนิโสมนัสิการเราก็มีอภิสมัยคือมีความรู้ชัดจำเพาะลงไปด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติมีอยู่ชราโมรณะจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชราโมรณะจึงมี และโดยในยะาเดียวกันเมื่ออะไรมีอยู่หนอชาติจึงมีเมื่ออะไรมีอยู่หนอภพบจึงมีอุปาทานจึงมีตัณหาจึงมีเวทนาจึงมีผัสสะจึงมีสลายตนะจึงมีนามรูปจึงมีละถึงวิญญาณจึงมีเพราะโยนิโสมนสิการเราได้มีความรู้ชัดจำเพาะลงด้วยปัญญาว่า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 เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปและนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานพบชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัตอุปาญาตความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้จึงมีด้วยประการชานี้ จากสุเกิดขึ้นแล้วยานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมะทั้งหลายที่ม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าสมุทัยสมุทัยดังนี้ภิกษุทั้งหลายเราได้มีความคิดดังนี้ว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอชราโมรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับชราโมรณะจึงดับ เพโยนิโสมณสิการเราได้มีอภิสมัยคือมีความรู้ชัดจำเพาะลงไปด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติไม่มีชรามรณะก็ไม่มีเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับและโดยในย่าเดียวกันเมื่ออะไรไม่มีหนอชาติจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีหนอภพจึงไม่มีอุปาทานจึงไม่มีตัณหาจึงไม่มี เวทนาจึงไม่มีผัสสะจึงไม่มี ส, มมสลายตระนะจึงไม่มีนามรูปจึงไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะโยนิโสมนสิการเราจึงได้มีความรู้จำเพาะลงไปด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปไม่มีวิญญาณก็ไม่มีเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับเราได้มีความคิดว่าเราได้บรรลุมรรคา เพื่อความตรัสรู้นี้แล้วกล่าวคือเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนาจึงดับผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติจรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จึงมีด้วยประการชนี จักสุเกิดขึ้นแล้วยานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแกเราในธรรมะทั้งหลายที่ม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่านิโรดนิโรดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเราได้เห็นมรกคาเก่าขนทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางก่อนทั้งหลายเคยเสด็จไปแล้วได้แก่มรกคามีองค์8ประการอันประเสรฐนี้เอง กล่าวคือสัมมาทิทฐิจนถึงสัมมาสมาธิเราได้ดำเนินตามมรรคานั้นเมื่อเดินตามมรรคานั้นจึงได้รู้ชัดซึ่งชราโมรณะรู้ชัดซึ่งสมุทัยแห่งชราโมรณะรู้ชัดซึ่งนิโรธแห่งชราโมรณะรู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันนาไปสู่นิโรธแห่งชราโมรณะรู้ชัดซึ่งชาต รู้ชัดซึ่งสมุทัยแห่งชาติรู้ชัดซึ่งนิโรธแห่งชาติรู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันนมไปสู่นิโรธแห่งชาติและโดยในยาเดียวกันพบอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณละจนถึงรู้ชัดซึ่งสังขารทั้งหลายรู้ชัดซึ่งสมุทัยแห่งสังขาร รู้ชัดซึ่งนิโรธแห่งสังขารรู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันนําไปสู่นิโรธแห่งสังขารรั้นรู้ชัดความนั้นแล้วจึงบอกแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายรมจันทร์คือชีวิตประเสริฐซึ่งเท่ากับไรศิกขาและเท่ากับพระศาสนาจึงเจริญแพร่หลายแผ่ขยายเป็นที่รู้ของพู้หูชน เป็นปึกแผ่นจนเทวะและมนุษย์ทั้งหลายประกาศกันได้เป็นอย่างดีสำหรับพุทธพจน์ที่ยกมานั้นท่านละไว้โดยฐานที่เข้าใจเป็นจำนวนมากโดยใช้สั ญ, ญลักษณ์เป็นจุดๆๆนะครับเป็นการสรุปเพื่อให้เข้าใจความหมายรวมเท่านั้น จำนวนแบบที่กล่าวสรุปการบรรลุอาสวะคยญาณหรืออรหัตผลหรือปัญญาวิมุตติของสาวกหรือบุคคลทั่วไปก็มีหลายจำนวนมีทั้งที่เหมือนหรือคล้ายอย่างนี้และที่แปลกออกไปบ้างแต่จะไม่ยกมาแสดงในที่นี้เพราะเมื่อว่าโดยสาระสำคัญแล้วก็ลงในแนวเดียวกันกล่าวคือสภาวธรรมหรือสังขารธรรมทั้งหลาย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 ตามแนวปฏิจะสมุปบาทถ้าพูดในแง่หลักปฏิบัติก็จะเป็นการกล่าวถึงหลักธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งในพวกโพธิปัขิยธรรม37ประการซึ่งประกอบด้วยสติประทานสสมัตประธานสอิทธิบาท4อินทรีห้าพระละห้าโพชฌงเจและมัคมีองค์8